ไปดูในวรสศวิธีนะครับหน้าหนึ่งร้อยสสิบแปดอันนี้สามาอธิบายเขาค้ า, านตรงนี้ครับยังไาายยนะนะคารนบหน้าหนึ่งร้ยสสิบแปดปลาชิกขุนเทศหัวข้อปราชิกนะครับอ่านบททั้งหลายที่เชื่อปราชิกสี่สิขาบทเหล่านี้ย่อมถึงซร่งการสวดโดยหัว ข, ข้อในปากิโมกข์นี้หนึ่งทิสุไดเข้าถึงสิขาและสาชีพอาทิตศและสิขาและวินัยบัญญัติ ของพิสูจน์ทั้งหลายไม่สลักจิตหาที่ไม่สิทธไม่เปิดเผยความทอ้อแท้ใจหมดศรัทธาจึงสเงสเในขุนธรรมคือที่สุดแม้ในขนิลชาตูเมียพิสุกรูปนั้นเป็นผู้ท่าแพ้ไม่มีสัง่างาไม่มีสิทธิและความเป็นอยู่เสมอกับพิสูจน์อื่นะครับเพราะว่าพิสุรูปใดที่นี้เอาอยู่เพราะพิสูจที่บวช ด, ด้วยยติจุตกรรมวาจาพิสูจน์ที่บวชเห็นพี่ครูนก็ไม่เอา พ่อวิสุทนั้นเป็นผ้าละหานที่หมองนะครับจะไม่มีการล่วงอาบัตที่เป็นอย่างนี้นะไอพ่อวิสุทธิที่ผมด้วยยติดจิตกรรมมาจากนะครับสีขาก็ได้แก่เทียสินักสีขาเป็นสถาวาะธรรมปรมณจ์ น, นะครับตัวสีนะสุนสาธิปุ้ได้แก่พินัยบญญาลยาทำไมได้ชื่อว่าสาธิปุ้นี้ <c oughs> ไม่ชนะสีขาคือไม่สึกนะครับแม้แต่คําสึกแค่จากที่บาลละเอียดเลยนะต้องประกอบในองค์นะครับมีอะไรบ้างนะต้องมีสีเที่จะสึกคําพูดถูกต้องนะ คนผู้รับรูหลายอย่างนะครับถ้าสึกอะไรว่าไม่ถูกก็ไม่เป็นอันสึกนะไมนเป็นสิ่งที่สําคัญไม่เผยเผยความเ้อาะแท้ใจความหมดศรัทธา น, นะครับคือถ้าเป็นคําสึกเลยเนี่ยคาลาสิกหานะที่บอกคืนพระพุทธเจ้าเป็นต้นนะครับเป็นคลาลังสิกหาด้วยแล้วก็เป็นคํำเผยเผยความเพราะแท้ใจด้วยแต่ว่าการเผยเผยความเพราะแท้ใจมางอย่างไม่ได้เป็นคำลาสิกขาแต่ว่าแม่ของข้าพเจ้ามีอยู่ข้าพเจ้าต้องเลี้ยงดูท่าน อยานนะยากจะเสกแค่เล่นบนอย่างนี้นะครับนะครหรือว่าอุ้ยเท่าสมบัติผมก่อนตอนเป็นคาราวานแย่ๆนี่เสกลงไปผมก็สบายแล้วนี่นะมันบ่นนะรำพึงขึ้นมาเปิดเผยความท้อแท้ใจที่ไม่อยากอยกู่ศาสนานะครับ น, ค, บนคุณเสกเมนถุยแม่ในเดือนสามตัวมีก็ไม่ได้เสเทวาวนในวาวนาหนึ่งมั ก, กหนึ่งใช่ไหมครับย่อมักสามนะภาวานักภวาเบาลแล้วก็ป่าไม่ใช่ภวาก้ามูลประชาบอ <c oughs> อันนั้นไม่ใช่นี่ก็มันเก นะแต่ท่านจะแต่งเป็นเป็นทวารวารสามสิบใช่ไครับยี่สิบหรือว่าสามสิบท่านจำใช่สิบหรือว่าสามสิบนะเดี๋ยวดูอีกทีนะมันจะมีท่านจะรวมบุคคลแล้วก็ได้ได้มัดเข้านี้นะครับปีสูนั้นก็เป็นผู้พ้ายแพ้ไม่มีสังวานนะครับเป็นผู้แพ้ายแพ้ก็ไม่สามารถจะทําวินัยได้อีกนะครับเหมือนกับการ ย, ย่อนรุวนที่ย่อมมันรุวนแล้วมันไม่สามารถจะงอมนามได้อีก ระหว่างที่เรียนอ้ตัวนี้เนะครับประโยชคนนั่งเรียนนั่งฟังด้วยนีการการการเรียนการสอนสะมวกอ๋อมาจะไม่สนุกเจอคนครับไปโดยรถไปธรรมดาบั้นตัดเทนเจอแต่นั่นก็การเจอแต่ที่ว่าอะไรนะ่นแพทย์จะเบอกบวดใหม่นะ ถ้ายัางไม่ให้บอกนิสยัยสีแตนะ่ที่ว่าอยู่คนมาฉันยาเราเล่น น, นน้ำนุ่เน่ามีนุบาตสืบข้าวมังสวิรุลนะที่ว่าเขาบอกไปแล้วเขาไม่อยากจะบุดเลยท่านเคยไม่ให้บอกก่อนให้บอกหลังจากที่บุญไปแล้วเขาถึงจะรับได้แต่ว่าที่กรำโยมก็มกมเนะากาขายังไม่เจอนะโยมไม่ไม่สอนวินัยกรรมมาตุกค้ามนะเจอขาไม่เจอครับ จดมีหอนใส่มี้มนให้หอนเพราบางทีเราเรียนขาจข่าวกันนะครับมันข็ร่วมึกคครับต้องระวังที่ใจครับอาจ่นนี้อันนี้ก็แค่ยกนะครับในห้ยสุดนี้ขอความเจริญงอกงามในธรวินัยของพระธรรมคตจงมีแก่ที่น่งหลายด้วยการพุดทั้งนิทาน that yeah.